เมื่อถึงวันดับขันคืออนุปาทิเสสนิพานหรือขันตันิพานก็เท่ากับไม่มีทั้งกิเลสและขันเหลืออยู่จัดเป็นนิพานที่ดับรอบหมดจดสำหรับพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าปรินิพานทั้งขันใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีอวิชชาตันหาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดรูปนาม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 ซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งห้ากายเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งกระทบโทธทพะสิ่งสัมผัสกายคือความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวหรือรูปอีกสามชนิดและ6ใจเป็นนามชนิดหนึ่งรู้ธรรมารมคือรูปบางอย่างนามบางอย่างและบัญญัต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 หรือรูปนามที่อยู่เหนือสมมติมันยัิอันเป็นภาพหลวงตาอย่างไรก็ตามจงอย่าได้พยายามลบสมมติมันยัติทิ้งเพื่อจะได้รู้สึกถึงอารมณ์ปรามัดแต่จงพัฒนาสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องจนรู้สึกถึงอารมณ์ปรมัดได้เองจึงจะปลอดภัยที่ใช้คำว่าปลอดภัยในที่นี้เป็นการใช้ด้วยความจงใจทีเดียว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 1.3.4. รู้ทุกไม่ใช่ละทุกมีประเด็นสำคัญมากที่ต้องเน้นเป็นพิเศษคือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทุกไม่ได้ทรงสอนให้ละทุกคือรูปนามสิ่งที่ท่านสอนให้ละคือสมุ ท, ทยัยหรือตัณหาเท่านั้นแต่นักปฏิบัติส่วนมากมีตัณหาหรือความอยากที่จะละทุก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 ด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะจนเห็นไตรลักษณ์และรู้ว่านอกจากการเจริญสติสัมปชัญญะแล้วไม่ใช่วิธีเรียนรู้เรื่องรูปนามนั่นคือมัคขามัคยาทัทสนวิสุทธิหรือสัมมน ญ, ญาณนะและตรุณอุทยพยายาณนะ 4. ลงมือรู้รูปนาม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 นับโคตรภูยานเข้าไปด้วยโดยอนุโลมแล้ว 5. ปล่อยวางความยึดมั่นรูปนามหลุดพ้นเพราะความไม่ ย, ยึดมั่นนั่นคือปัศนวิสุทธิหรือมัคคยาณนะและนับภรยาณกับปัจเจเวขณะยาณเข้าไ้ด้วยโดยอนุโลมศึกษาเพิ่มเติมจากหลักธรรมเรื่องวิสุธทธิเจ็ดและโสรสยาน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 สมุททยมีองค์ธรรมอันเดียวคือโลภะเจตสิกช่างน่าทึ่งเสียจริงที่โลภะเจตสิก ต, ตัวเดียวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งมีองค์ธรรมถึง160ประการนับว่าตัณหาเป็นผู้สร้างโลกได้อย่างแท้จริงทีเดียวตัณหาตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทท่านจำแนกไว้3สามชนิดคือหนึ่งกามตัณหา คือความทะยานอยากได้ในการมคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพัทธ์สภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากดำรงอยู่อย่างถาวรคือสัจสต ท, ทิฏฐิและ 3. วิภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น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 ปัญหาในธรรมมารมณ์ในขั้นนี้ฝากเพื่อนนักปฏิบัติให้จำเรื่องตันหา6กไว้ก่อนเมื่อถึงขั้นการปฏิบัติจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง 2.2 วิธีการละสมุทยัยจะดับทุกข์ต้องดับที่สาเหตุของทุกขคือตัวสมุทยัยเมื่อจะดับตัวสมุทยัยก็ต้องดับที่สาเหตุของสมุทยัยเช่นกัน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 3. นิโรธควรทําให้แจ้งกิจตอนนิโรธคือการทําให้แจ้งหรือสัจิกิริยามีประเด็นที่สําคัญสองประการคือหนึ่ิโรธที่ต้องทําให้แจ้งนั้นคืออะไรคือนิพพานและสองการทํานิโรธให้แจ้งนั้นทําอย่างไรคือละสมุทยัย ด้วยการรู้ถุก 3.1 นิโรดคืออะไรเนิโรดหรือความดับมีหลายประเภทเช่นการข่มนิวรณ์ไว้ด้วยสมถกรรมฐานก็ถือเป็นนิโรดระดับหนึ่งการดับกิเลสด้วยธรรมอันเป็นคู่ปรับกันในขั้นการเจริญวิปัสสนาก็เป็นนิโรดอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น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 และเกิดในผู้ปฏิบัติคนหนึ่งได้เพียง4ครั้งเท่านั้นมีองค์ประกอบ8ประการเช่นเดียวกับโลกิยมักแต่มีนิพานเป็นอารมณ์เราไม่จำเป็นต้องพยายามทำมักินิดนี้ให้เกิดขึ้นเพียงมันจเจริญวิปัสนาหรือจเจริญโลกิยมัก ต, ตามข้อ 4.2.1 เข้าไว้แล้ววันหนึ่งก็จะเกิดอริยมักเอง